ก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายมีผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมมีคนที่พยาบาลรักษาคนป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่พยาบาลยาธรรมให้น้ำบากแก่บุคคลที่รักษาแก่ตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักทังจิตเทมันนี้ คนกินรักษาพ่อแม่ก็ดีมันการก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่าลังเรียดอันนี้น้องคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นเนี่ยยื่นต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ถ้าใส่พ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ นั่งรวมตังค์อย่เดียดนี้เพราะ่าคุณพ่อคุณแม่นี่ลงมาสารพัดอย่างคุณพ่อแม่นี่ดูมาสารพัดอย่างแล้วมีบุนคุณเนื้อที่สุดเปินเนะ้มีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนอใี้เข้าใจว่าบันี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นรูปกเราแล้วแหละก่อนเราเป็นรูปของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราแล้วเพราะอะไร แก่ไปแก่ไปแก่จนแก่ไปเลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินอะไรพันอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กนันเออืมมันเด็กนันเองอมันเด็กนั้นนั่ลูกหลานทั้งหลายนั้นให้คนใจมากให้ปล่อยฮให้ปล่อยใคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย คนที่เป็นสบายเรอย่าไปถือเลยปล่อยจ้ะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นเนี้ยปล่อยนะเหมือนเด็กๆนเด็กๆที่เราเปิดอะไรมีฟังพอแม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายไมนให้เด็กมันร้องไห้ไม่ให้เด็กขัดใจอะไรนะี้พ่อแม่ของเราแบบนี้เหมือนกันสัญญาณมันมีแป่ล่าแต่แรงคนแก่นะ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกล้านคนหนึงไปถูกคนนึ่งจะเอาเรียกเอาบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเอาแก้วมาก็ได้อะไรก็มีมามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้พกอให้ยกรรให้พิจารณาไอ้ที่คนป่วยเนี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรม ให้อดพิทนต่อทุกขเวทนาคืเ อ, อเวทนาส้ารพับอย่างซึ่งมันเกิดมาให้อดกลั้งในทางเพี้ยนออในใจของเร า, าให้มันหุ่นวาย่ยาให้มีความลำวากยากจนเกินไปแก่ผูป้ปฏิบัติอปปะทาของเราผู้ปปะทาก็ไม่ควรจะมอยาลำเกลียดนำโมกนำร้ายอุดจระประจวะอะไรต้องพยายาม คือเท่าที่เราจะทำของแล้วไดู้ลู ก, ลกทุกคนจยช่วยกันดูในเวลานี้อืวันนี้เรามีภาระทั้ง น, นี้เราอาศัยมาในเขื่อนมานีนเ่เพิงครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกวันแบบนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรานี้เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเราที่เราจะนี้น อร่อทุกอย่างมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องที ด, ดีอะไรแล้วมีอาชีพีดีถึงลูกหลานเนะี่ย ส, ส่งเสียลูกหลานให้เราให้เรียนตลอดตัวเรามีกับพ่อะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตระกูลอย่างนี้อย่างนั้นพราพูดแต่องค์กันศึกษามาการปัญญุกับประเมตที กปัญญูกตเวทีกปัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่ถนองซึ่งกันดิการ น, นี่กตเวทีก็ทำความดีมาแล้วใครทำความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยเรามารร น, ามานี่เป็นของกตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึง่งคนนั้นแหละ จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากไม่มใช่ญาติกก็ดีนะเป็นคนกตเวทีกาตันยูก็คือตัวเรา ท, รทูขันมีกตเวทีเนี่ยที่อุปถัมภ์ประถาขนุบบังลูลมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรี่วกว่ากาตันย์ท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก อันมีความขัดข้องโรจาการใดเราต้องเสียสะละรับผาละทุระอันนั้นช่วยท่านข้อกตัญญูกตเวทีี่เป็นธรรมที่ความยืนยงอยู่ให้วงตระโกลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระโกลของเราเรียบร้อยให้วงตระโกลของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้ อ, อือันนี้แหละวางใน กาจะมาเลยฝากเทศฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความในสำนึกน้อมมาอาศัยคนเมออุทยัยซึ่งเป็นลูกๆของโยมนั่นแหละถึงผู้เปนตาเลีที เป็นภูมิคตันอยู่กันตวัวทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นออาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่ว่ามันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอามามันลำา่ากนะอาตมาจึงฝากธรรมะที่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นที่มันเป็นแก่นเป็นสารถึงใหญ่ย ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นหรือเมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จุจทัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันเนี้ธรรมาก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะอมืให้คุณยายมีพลังจิตใจขี้เข้มแข็งต่อสู้ีก็ผิ่งทางหลายเหล่านี้ในโลกนี่มันเรื่องในสงบทั้งนั้นแหละถึงแม้มันจะลำดุลยุ่งก็มีสงบ มันจนมันก็ไม่สงบมันตก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีน้อยมันก็มีทุกคนที่มีมากก็ม <psychological. laptops>. ีทุกเป็นเด็กมันก็มีทุกผู้ใหญ่มันก็เป็นทุกแกแล้วมันก็ทุกทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันไม่ทุกอย่างนั้นแหละ ยังนั่นอวัยวะทุกส่วนนี้ถ้าถึงระยะทยอยกันไปดีด่นี่มีทนั่นค่ะคุณยายที่จะนาอย่างนี้แล้วทีจะเห็นว่าอนิจจังเหมอนเป็นของไม่ที่นึงท <h> ุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอไอ้ร่างที่เราโยม อ, อาศัยอยู่เดี๋ยวนี้ ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นี่นอนอย่เก็บป่วยอยู่นี่อืมแล้วก็ทางจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเก็บมันป่วยเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งสองอย่างนี้ตานี่กว่าทำแต่เพียงที่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนึคิดเท่านั้นเรียกว่ามันกว่าเป็นนามมันกว่าเป็นนามะทั้อืมแต่เพงแค่มันเป็นรูปแต่มันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้มันกว่าเป็นรูป กับธรรมเชิงที่เป็นรูปกับเป็นธรรมเชิงที่เป็นน้ําก็เป็นธรรมแคนั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมอ่ะตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะถ้าเราทำมันก็เกิดกแหนมกับหลับไปเกิดแนนมก็หลับไปจะพาว่าธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแหนมีความดับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเรียนี้มันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาเราคิดถึงองค์สมเด็จพระเจ้มาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้ก็น่าคารวะน่ะนับถึงท่านพูดจริงแต่พูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะบางบางคนปฏิบัติธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เป็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ ดังนั้นให้เข้าใจใชว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกหรือมดที่แต่ตัวนีิดๆก็าตามเทีนะนะเขาจวนเ อ, อ, เ อ, อพยายามจะหนีกันนะไม่มีใครอยู่สักอย่างไอ้จริงที่ชีวิตอยู่ไปพอคนนะวรเนี่ยเราก็ตายกันทั้งนั้นน่ะทั้งคนจนทางคนนร่ำรวยทางเด็กทั้งคนแก่ทางสเศรชานให้จรง ท, ที่ชีวิตอยู่ในรอบนี้มันแปไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ นี่จะนั่งคุณยไรหรือรู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะว่าหน้าเบื่อหน่ายเฮ้หน้าเบื่อมันอะไรมั น, มนเป็นเ่องเป็นตัวของตัวมันนะเบื่อหน่ายนิพพิธาความเบื่อน่ายเมื่อนายไม่ใช่บารมีรังเกียดแตไม่ใช่บามังเกียดนะไม่ใช่รังเกียดนะ เมื่อนายขี้ใจมันสั่งใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางอะไรจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะนี่ปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยมาโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขารเราสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเฮ้ยนี่เลยว่าอนิจจาบัตสังฆาสางาังขารทำอะไรในที่ไม่เที่ทุกือวมันเปลี่ยนไป แรงมาเปลี e ่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นในที่ตัวอานิจังพูดยังไงตัวอานิจังนั่นแ่ะตัวพระคุณเจ้าละถ้าเราพอไปเห็นอย่างจริงจังอานิจังเป็นของในเทียงนั่นแหละคือตัวพระคุณเจ้าถ้าเราเห็นอานิจังแล้วอานิจังของในเทียงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยมที่อย่างอย่างไรก็เที่ยงมันจะไม่อย่างนั้นแหละไม่แก่เป็นอย่างอื่นมันก็ถัดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้น มันที่อย่างนั้นแต่ว่ามันในเที่ยงจะมันแปลไปแปลมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเท่าเฉลแก่สลานี่เรียกว่ามันในที่และความที้มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันแปลเพราะมันอยู่อย่างนั้นมันในที่ถ้าทุณยาเห็นอย่างนี้ก็ับใจจะสบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้ อย่างนั้นมาคิดแค่นี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหายความตกำหนัดและไครในโลกในกลางในโลกามิตทั้งหลายนี้มีมากกว่าที่หมามากมีน้อยกว่าที่หมาน้อยทุกคนดูไปทีนะ่ะมาญาติเกิดเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เห็นเท่านั้นแหละนี่ อย่างนั้นตามความจริงวันนั้นที่สําคัญนั้นรพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าให้สร้างบ้านเจา้าขสร้างบ้านสร้างบ้านโดยที่จะตตมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างนี้สร้างบ้านให้ได้ปล่อยให้ได้วางปล่อยแล้วก็วางเมือนให้มันถึงความสมงบอนความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไปทางเหนือไม่กล่ามาทางหลังไม่หยุดอยู่ีเดี๋ยว ม, มันสงบสงบจากบ้านเดินไป สงบจากการถอยกับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยในความสุขนี่มันไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอืทุกข์มันก็เสื่อมสุ ข, ขมันก็เสื่อมทั้งนั้นเนี่ยบัดนี้พระบรมโคดินเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่ที่นี่นี่ฉนนทันพิณชอนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้าย อย่างนี้ทุกคนตั้งใจปล่อยให้วางเพรอะวมันออกไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั้นเองแหละนี่พอเราวันวานไปก่อนมันจะมันจะไม่ดีกว่าแหละอืมมันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักมันเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันจะแล้วกทิ่งมันก่อนอย่างนั้นจะไม่ดีหรืองั้นอ่ะยังไม่รว่าแบกมันทําไม จะไปอะไรอะไรมันทาไมแล้วก็ปล่อยวางนะรูสิวะลมหายใจเข้าออกของเหล่านี้มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมชาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดีกว่ าหายใจออกอย่างเดียวนะมันมันเข้ามาได้ไหมสบายไหมอื ม, อมสูดลมเข้ามาแล้วมาเห็นมันออกดีไหมนีอม่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกแล้วแรกก็เข้ามาเข้ามาแลกก็ออกไปเป็นเรื่องธรมรมดาเรื่องธร เกิดแล้วกแก่แก่เลิกเก็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาทแท้ๆเหมือนสังนะลมัะเข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ออกไม่แล้วไม่เข้าไี่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าเข้าให้ออกอยังรรมีชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์เดือดสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เพราสังขารมันตามตามหน้าที่ของมันอย่างนี้เนี่ยมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของในจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ย อันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นในความเกิดแก่เกียจตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะยอมก็คือเราตายแล้วนั่นเองนะที่ในความเกิดกับความตายเนี่ยมันเหมือนกันเหลนั้นั่นอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั้นเนีะเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนตายก็ไม่มีที่มีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นดยงนั้นกันึรข่เหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายไปแล้โศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปอยู่มันลงนะดีคนจะตายไปร้องไห้ที่ไร ล, ลำพันตัง้งแต่ไหนจะไ่ไรมาไม่เคยใครพิจารณาให้ชัดแจ้งนะให้ความจริงอาจจะมาเห็นเราห้ัเขาโอกาสเลยนะวะ ถ้าจะร้องไห้กับคนตายนี่ยร้องให้กับคนที่เกิดมาดีกว่าอคนที่เกิดขึ้นมานเนี่ยหรอกว่าเออแด้ไม่กลับกันเนีถาน้าคนเกิดมาเราโยมเราทำอะไร ห, วหวัวเลาะดี อ, อกดีใจกันทิ่มบานไอความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่น ก, ก, ก็คือปลายปลายก็กคือต้อนเราไม่รู้จักอืม ถึเวลาจวนจะตายหรือตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีเนื้อมาเกิดมาแล้วร้องไห้กันสักทีเถอะดูสิมันไอ้เกิดนั้นแหละตัวตายแล้วเนี่ยการไปเกิดก็มาเป็นตายไงมั้งไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายใะ่หรอไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นย่อม ไม่ต้องนึกอะไรให้มันรุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นจ้ะนี่คือธุรลหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้โลกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องอย่างเนี้ยไม่ให้วันไหวไปมาปล่อยมันทิ้งมันจ้ะเราปล่อยมันมันทิ้งมันะ อืถ้าเราไปทิ่งมันลอยมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยอือเอาไว้เฉ่าะร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรู้ง่ายๆลไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันก็ลําปี้ใช่ไหมบางทีมันงอกที่เรียกว่ามันดีแล้วนะอนี่คือเรามันหนีนะตาเรามันสว่างสวัยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มนะ บัด น, นี้มันฝาาา่าฟันเลยนี่ในวันมันหนีแล้วนี่เขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีเลยที่นี่ไม่ใชที่อยู่ของเขาซะแล้วอือะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันแน่นหนาท่าหอนหบัดนี้มันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นก็จะใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่ของใหม่นี่ใส่ของเก่าของเก่าเขาไปในเขาหนีแล้ว ท, ทิ้งตัณพวงในวิญญาร่างกายเราเนี่ยนสุขุญยายหรือคนทุกๆคนอย่างเนี้ยเขาพยายามจะหนีไปนเนี่ยหรืในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนีนะฮะโหจะมูกลื่นกายทั้งหมดก็พยายามจะหนีทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่โวคราวเลอบอกไปไม่ว่าจะตัวของเราละทั้งหมดอริยมร่ยผลก็ดีขนกนี้ แล็กก็ดีฟันก็ดีนังนก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้เขเคร์หนีเลยะหนีเขาเคลียร์หนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเพียมไม่หมดยังเมลือแต่คนเศร้าบ้านอยู่หดูเล็กน้อยเศร้าบ้านก็ยั่จะไม่ค่อยดีเลยตายกแสงนั่นไม่ค่อยดีในฟันดีก่ก็ไม่ค่อยจะดีหมนี่ก็ไม่ค่อยจะดีลําไายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไม อีก็ว่าเขาหนีไปบางแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่หอ ย, ยเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักโชคราวเท่านั้นแหละก็ไปยานั้นมีอม่ค้นห่วงย่อยอะไรมุสลิไมไม่โดนในโล ก, กว่าพิจนาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่นั่นจะดีกันแล้ว ลองคิดๆดิดีๆดูไปดูตามสภาพร่างกายดิว่ามันนีอะไรเหมือนเก่าไหมร่ากาเหมือนเก่าไมหนังเหมือนเก่าไห ม, ห ม, ไหมผมเหมือนเก่าไหมตามเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหมไม่เหมือนเยอะก็ไปที่ไหนกันหมดแล้วเนอะนี่ทำไมฉาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้ว ตามวาละกของเขาแล้วเขาก็้องตองไปทำไมเขาจะต้องไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี้ม่ใช่ที่อยู่หยางเนี่ยหนาถาวร อ, อะไรดีอยู่แล้วก็บวุ่นวุ่นไม่ไม่สุขสุขทุกๆไม่สงบะระงับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังวนระวังทาง เล็กคจะกลับเล็กคนจะไปเล็กคนจะกลับเล็กคจะไปเล็กคนจะอยู่นี่คนเรื่องที่อยู่อย่างเราเดินเดินออกจากบ้านเนี่ยเปลียวว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่างไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามก็เมื่อเดินไปเดินไปเมื่อไม่ถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราแบบนี้ถ้าเราไปถึงบ้านเราแล้วก็สบาย พ่อเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันบ้านนี้เอ่อเป็นภาระของคนใหญ่คนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับที่ทุลน้าที่ของเราก็เป็นโทะหน้าที่ของเรา ทุกขหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือพยายามรวมความรู้สึกไวที่จิตของเราไม่ให้กระวนกระวายเป็นธุกขหน้าที่ของเราเราลงจากธุกขหน้าที่ของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิตเราเป็นอย่างไร จิตเรากระวนกระอะไรไหจิตเราเป็นห่วงใ ย, ยไหมให้ตรวจดารู้จิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี่อย่าไปเอาธุระของโลกมาทำอย่าไปเอาธุระของหลานมาทาอย่าเอาไปเอาไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าเอาธุระของอะไรอะไรทั้งปวงมาทำเท่านั้นแหละไม่ใช่หนาทีของเราในเวลานี้เราคนกับลอยแล้ว เราควรจะวางแล้วอาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทำความให้สง บ, บนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอย่เดียวนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาซะเรื่องลูกก็ปล่อยเขาซะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาซะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาซะ เรื่องรถก็ปลอยเขาจะเร่องอะไรอะไรก็ปล่อยเขานี้ยเราจะทำธุระนาทีของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนหนึงนจอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระนาทีของฉันความมีภากษ์วิจารอะไรก็ตามว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในที่ก่วกลัวอันตรายถ้าเราจะตายอย่างนี้เป็นต้น คิดถึงคนโน้นแต่คคิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวรฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามากวรฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่นั้นเกิดขึ้นมาธรรมคืออะไร ธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะไม่เป็นธรรมก็ไม่มีแล้วโลกคืออะไรโลกคืออารมณ์ที่มันอายุแ ย, ย, ย่กวงยาด่เดี๋ยนี้แหละเดียวคนนั่นจะเป็นยังไงเดียวคนนี้จะเป็นยังไงเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นยังไงอะไรไม่อย่างเนี้ยเป็นโลกทางน้นแหละมันเป็นโลกทางเนี้ย เพียงแม่บอกเราคิดขึ้นมาแล้ว่ากลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเก็บกลัวกลัวทั้งหลายมันเป็นโลกเหล่านั้นแนะ่ะที่เโลกเชีไมันเป็นโลกโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมันเป็นโลกถ้ามันนี้ขึ้นมาในใจแล้วก็รู้สึกเลโรกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้มันมาบางังจิตไม่ให้เห็นจิตของตนอย่างนั้นอะไรอะไรทุกอย่างนึงฮะถ้ามันเกิดขึ้นมาใยอมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวรัของฉัน เป็นเรื่องอนณจังเป็นเรื่องทุกขครั้งเป็นเรื่องอนติตจาเราจะคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้เดี๋ยวนี้ให้เร็วๆเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางยายให่นะเป็นทุกข์เพราะว่าทั้งขานนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งเอ้ยมันก็ไม่ได้หรอ ได้เป็นตกแต่งมันไม่ได้มันปิดมันมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก่อนนิดๆน้อยๆอย่างว่าอืออืออืเป็นผลมาตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยจะให้มันสะอาดอหรือเด็กๆเขารู้ที่มันทาปากมันทาศกเขาย้ะทำนี่ไปมันยาวทําอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหละอย่เมื่อแกมาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันเต่านั้นยังไม่มีอะไรตกแต่งแค่นั้นน่ะ ตกแต่งจริงๆไม่ได้แนละ้วก็เป็นอย่างนั้นเดิมสังขารนั้นจะ ต, ตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ได้อยู่สังบ้านเมื่อคนคนอื่นก็นเหมือนกันดึกรางบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างว่านคุณหม อ, อุทัยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้อยู่ที่นั่น สร้างึ้นสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างสร้างบ้านข้างนอกใครใครก็สร้างกันได้ถึงนั้นแหละแต่ว่ า, าพระพุทธองค์สัญยกว่ามันมันบานข้างนอกไม่ใช่บานที่แท้จริงมันที่บานโดยสมมติบ้านอยู่นลีลหกมันก็เป็นไปตามโลหกนั่นแหละบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโต สนุกสุกสำํำรานเดิมบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านจริงๆของเราอยู่ที่ไหนบ้านจริงๆของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะบ้านก็สวยแต่อยู่ก็ไม่เคยสงบ อเน tamam nice. right ี้ยก็เพราะอันนู้นเนี้ยกเพราะอันนี้เนี้ยห้องอันั้นเนี้ยก็ห้องอันนี้อยู่อย่างเงี้ยเนี้ยว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านทางไหนมันเป็นบ้านทางนอกอีกไปเนี้ยวันใดวันหนึ่งแล้วก็เลิกมบุญธรรานนีะบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีก อันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงยังนั่นคนยึงจะชอบจะสร้างบ้านทางนอกไม่สร้างบ้านทางในบ้านที่อยู่จริงๆให้มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะเห็นกันไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างก่นทางนอกเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ อย่างคุณยายนะ ล, ลองคิดดูที่ในเวลานี้มันเป็นอย่างไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมา เ, เรื่อยมาแบบนี้คห้เราเดินหนีจากออความจะเดินอยู่ในโลกนี้เดินไปนี่เราเดินไปเรื่อยเรือยเราเดินไปนเรื่อยเดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขนานี้นไม่พยากให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปเพามันอยู่อย่างนี้ เมื่อ <Ris> มันเป็นอย่างนี้ไมันอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็เป็เหมือนแ้่มันเป็นเป็ดไก่อยากให้มันเหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไปไ่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ีถ้าโยมมาคิดว่าเออเป็ดก็ต้องเป็นเพราะมันอย่างนั้นแหละ ไก่ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละใจเปียกเหมือนไกมันก็เป็นไปไม่ได้ใจไก่เหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละมันจะมีกําลังเพราะว่าสกุลร่างกายนี่ใยญ่ใหญ่มันยืนนานท้าวอนไปนเท่าไร่เท่าไรมันก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ น, นี่ ท, ทันใจเราสังขาร อนิจจาวัดสังคาลาอุปถัมภะอยาทำมโนอุปจิตถัมน์อยจันติเตชะมุปาสมุสุโคสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วกว่าหาไม่เกิดแล้วกว่าหลับไปแต่มนุษย์เราทางไหนอยากให้สังขารนี้มันเทียงอันนี้ก็คือความคิดของคนง่อ อันนี้กับฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำที่มันไหลไปทิดได้ก็ เ, เหมือนชีวิตลํางกายของยายอยู่อย่างเนี้ือเมื่อมันหนุ่มเลยมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วมันก็วนไปตามเรื่องมันอันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้น เรื่องอันนี้ไม่ใช่เราจะมีอำนาจจะไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันเสียว่มามันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสีเอาความรู้สึกนี่เองเป็นต้นเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่ากุโฑคุโฑกุโฑ ถึงแม้ว่าจะเดน็ดจะเหนื่อยก็ยิ่งที่ให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจสูหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมปุถโธปุโธ โ, โดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไรก็ยิ่งกำหนดจิต กำหนดอารมณ์ของเราให้ละเอียดเข้าไปให้ละเอียดกันไปตอนนั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเบธนาเมื่อกําลังมันเหน็ดมันเหนื่อยให้โยมหยุดคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตกับโลงรู้จักรลง เอานื้อุทธูอุทธูปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกระลูกอย่าไปเกาะกระลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งนั้นใ ห, ให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตตรงที่อันเดียวรวมให้กำหนดลมเอาปิดนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือเหรู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องเหรู้อะไรมากมาย กำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปนี่เดือยไปอีกว่ามีความรู้สึกในน้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆหล ง, งับไปจะค่อยๆหล ง, งับไปค่อยๆหล ง, งับไปพ้นที่สุด เราเก็รูรลมเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามสงญาติขึ้นรถลงเรือแล้วก็ตามไปถึงท่าเรือตามไปถึงรถเราก็สงญาติเราขึ้นบนรถเราก็สงญาติเราลงเรือเขาก็ติดขึ้นเรือขึ้นรถไปดิ้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไปมองไปญาติเราไปลแล้วเราก็กลับบ้านแล้ว เราดูลมกวนมันการฉันฉนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปเราก็มองไปมองไปตามไปน้อยไปน้ยไปทํำจิตมันตื่นขึ้น ท, ทาําลบในมละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปทอนที่สุดแล้วจนกว่าลมหายใจมันน้อยลงมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มี มีแความรู้สึกเท่านั้นอยู่ตื่นอยู่นั้นก็เรียก ว, ว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียก ว, ว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้ว ไม่ส่งจิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงต่อพุทธพระเจ้าของเราถึงแม้ว่าทานอรินิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายอีมีรูปแต่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันสวัยอันเบิกอันบาน ออย่างนี้พบแค่ น, นี้แล้วก็มีอันเดียวเท่านี้เลยมารวมลงแค น, นี้ดังนั้นอย่าไปให้วางให้วางทั้งหมดโดยแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าให้หลงนะอย่าให้ลืมไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอมไม่ต้อง เ, เอาอะไรเอาความรู้อันเดียวให้รู้สึกแต่ความรู้อันเดีย ว, วเยวท่านั้นเนอืม ไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างนังนหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกว่วข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่มา้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมด นี่ ค, คือคำสอนพระกุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราวู่เอาอะไรไปไม่ให้เราวู่เอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางบบบนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวจะแล้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวัฏสูงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจอีกพินิจพิจดรณา อย่าไปห่วงคนน้นอย่าไปห่วงคนนี้ลูกตีรีานต่อรีญาติต่รีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นอย่าไปห่วงเลยที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นชะภาวะ คือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่างๆ น, นี่ฉนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าต่างกไม้วางถ้าวางมันเลเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกอโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยาย่โยมมีคนห่วงใยมีคนเกาะเกีเ่ยวทีงไหมันจะคิดก็ให้มันคิด แต่ว่าคิดให้อยกับปัญญาให้คิด้วยปัญญาอย่าคิดโดยความงุ่มนึกถึง ล, ลูกก็นึกถึงโดยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความงุ่มนึกถึงหลานก็ในึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงโดยความงยยุออง่อะไรอะไรทั้งหมดแต่เราคิดก็ได้เรารู้ว่ามันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญารู้โดยปัญญาก็ต้องปล่อย รู้เหตุปัญญาก็ถกวงถ้ารู้เหตุปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเมบิกบานมีความสมาุ่มลานมีความสงบมีความระ ง, งับเป็นอันียวที่จิตใจแล้วมารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอือาศัยอยู่ในปัจจุบันในความนี้ก็คือลมลมหายใจพระพุทธองค์นตรัสว่า สังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเราแล้วก็ไม่ใช่ของของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายเรานี้ก็ดีมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทางก้อน ที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอน อ, นอยู่นี้กำลังมันุดโซมอยู่นี้นี่เด็กคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจิงให้มองพิจรารณาดูว่ายอมรับมันหรือเยอมรับมันเสีย ยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามทีเถอดพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเมื่อเราถูกคุมครงังในตลางก็ดีก็ให้ถูกคุมครงังเฉพาะกายอวัยวะอันนี้แต่ใจอย่าให้ถูกคุมครงัง อันนี้ก็เหมัอนกันเช่นนั้นเมื่อร่างกายมันสุดโทรมไปตามวัยยอมก็ยอมรับเยะให้มันสุดไปให้มันโทรมไปเพราะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายก็ทําจิตใจให้มีพลัง ให้มีกำลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทางลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเริ่มแก่แก่มาแล้วก็เจ็บ เก็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงหรืเกินเชื่อคุณยายเลยพบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูด้วยปัญญาของเราหเห็นเลยที่ให้เห็นเนะี่ยถึงแม้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ํามันจะท่วมบ้านเราก็ตาม ถึงไม่ว่าไฟอะไรต่างๆมันจะมาเป็นตรายต่อบ้านต่อเรือนเรากนตามนี่ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนอย่าให้มันไหม้ถ้าไฟไหม้บ้านอย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ํามันท่วมบ้านก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมตั้งแต่บ้านให้มันไหม้ตั้งแต่บ้าน สิ่งที่เป็นของนอกกายของเรานั้นส่วนจิตใจเรานั้นให้เรามีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้ก็สมควรแล้วสมควรที่จะปล่อยวางแที่คุณโยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไมอมตาก็ดูรูปอสีแสงต่างๆตลอดนุมดแล้วอืมอ เอาไว้เยยว่า finding, ทุกสิ่งทุกส่วนหูก็ followed, เลยฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างอีมากแล้วอะไรทุกอย่างก็มามากมากถึงนั้นแหละอีมันก็เท่านั้ น, นแหละอยจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นเลยที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะรูรูปสวยๆมันก็เท่านั้นเลยรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละ หูเลยฟังเสียงที่มันไพลาะสนุกโซ่จับอกจับใจมันกับเท่านั้นเลยใจฟังเสียงที่ไม่ไพลราะไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้นห ล, ละ อ, ลยอย่างนั้นประพุทธญาติที่บอกว่าทั้งคนร่ำรวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แล็กกับทางเด็กตลอดทั้งจจตฐานทั้งหมดด้วย ซึ่งเกิดมาในสกุลนาโลกอันนี้ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้นนจะต้องผักไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความเก่งที่เราจะแก้ไขอย่างใดที่ไม่ถูกทางมันไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้ไขได้ว่า พระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่ า, รางกายนี้เท่านั้นอิใจนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นของสมมติเช่นว่าบ้านของคุณยายก็เป็นของสมมติว่าเป็นบ้านของคุณยายเท่านั้นจะเอาจิดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพระทานซึ่งเรียกว่า สมมุติเป็นของคุณยายนี้นี่ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ ล, ลูกหลานบุตรดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งเขาสมมุติว่าเป็นดูกเป็นหลานของคุณยายนั้นมันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเนยวเป็นกันธรรมโลกถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็เป็นอย่างนี้พระละหันตาสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกับพวกเราทาั้งหลายแปลกโดยประการอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกุลร่างกายสังขารนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทพพิเจากันจี่ไหพิจารณาพิจารณาดูสกุลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าอันนี้เรียกว่าส่วนอวัยวะร่างกายของเราดูซิว่ามันมีอะไรมั่งอะไรเป็นของสะอาดไหมอะไรเป็นของเป็นแกนเป็นสารไหมนับวันมันชุดมาได้ด้วยมาอย่างนี้ อันนี้พระพุทธเจ้าเจะเห็นสังขารเมื่อของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้อของที่ไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้ยัให้มันเป็นยังไงนะอันนี้มันถูกแล้วีถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละี่พอเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โยมเห็นผิดมันก็วางใจเท่านั้นเหมือนแม่น้ำ เหมือนน้ำในแม่ น, น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างแม่ น, น้ำอุิยานแม่ น, น้ำงูแม่ น, น้ำที่ไหนก็ตามเนี่ยมันตงน้งมีความไหลบนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลึไปทางเหนือแล้วธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติมาบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งเปยืนอยู่บนฝั่งของแม่นะ้ำแล้วก็ไปมองดูกระแสะนะ้ำมันก็ไหลเขี้ยไปทางใต้แต่บุรุษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้นะ้ามันไหลขึ้นไปทางทิศเหนืออยากไหลมันไปเหนือนะ้ำอย่างนี้นี่มันก็เป็นทุกข์บุรุษคนนั้นจะไม่มีความสงบเลย จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะโมรุษคนนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะหหยน้าไหลขึ้นไปทางเหนือความเป็นจริงนั้นน้าจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้ไม่สมควรแล้วมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้าเป็นธรรมดาของมันเองนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทําไมถึงไม่สบายใจเพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพี่จรไม่ถูกลังนิไม่ถูกพี่จรไม่ถูกพร ะ, ะพราั์ความเห็นผิดเป็นวิจฉาจิตทีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้าทางใต้จะให้ไหลไปทางเหนือมันไปไม่ได้ ที่ใ้น้ำไหลไปทางเหนือนั้นมีความเหม็นผิดมันก็กระทบกระทันตะกิดตะพวงในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้น้ำาทําเวลามันมันก็ตรงไหลไปอย่างนั้นมันก็ตรงไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมัน ย่งอย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าอออันนี้เป็ น, ว น, น, วนความจริงอย่างนั้นเมื่อหากว่าเห็นความจริงอย่างนั้นบุรุษคนนั้นก็ปล่อยบุรุษคนนั้นก็วางวางน้ำให้มันเที่ยวให้มันไหลไปตามกระแสพอังมันอย่างนั้นปัญหาที่ตะกิดตะหวางของโยมของบุรุษคนนั้นก็หายไปเมื่อปัญหาหายไปก็ ไ, ปไม่มีปัญหา เมื่อไปมีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์ป <c> ฏ <oughs> <c oughs> ิให้โยมใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สุนทรภิษัทสมษม์พรพุทธเจ้า โดยพระรกต่อไปอให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งก็จะมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น ตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าของโย ม, มจงตั้งใจกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาโดยเฉพาะน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจเพื่อจะคารพต่อองค์มสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า บัรนี้อาตมาไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็นของที่จะเป็นแกนสารนอกจากธรรมะคำสอนของกัติ้าเท่านั้นฉะนั้นเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้าย ดังนั้นขอโยมจงรับให้โยมทงความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งเป็นที่ผู้มีบุญว่าสนาบารมีมากมก็ทนต่อความทุกคนลภาพไม่ได้อายุถึงวัยนีพพ้พระผู้มีพระภาคของเราท่านป็กง โปร่งอายุสังขารคำที่ว่าปร่งนั้นก็คือวางลงอย่าไปหอบไว้อย่าไปใิ้วมันไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียงว่าสังขารร่างกายนี้ถิงแม่ว่ามันจะเป็นยังไงยังไงก็ตามมันเถอะ เราก็เลยอาศัยสกลร่างกายนี้มาตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนถึงเท่าะแะแก่ชราัตรนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ไม่สอยเราต่างๆที่อยู่ใน้านซึ่งเราเก็บกรำวไ้นนุ่นานมาแล้ว เช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลและนานบัดนี้เช่งทั้งหลายนั้นมันก็สุดไปโทมไปบางวัตถุ ก, ก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไป เปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นแค่นั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปลมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยมาอย่างนี้ทั้งหมดนี้ ก็เรียกว่าแก่นี่ก็คือให้เรายอมรับนะให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรร ม, มคนที่พยาบาลรักษาคนป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่พยาบาลอย่ารมให้มันบากแก่บุคคลที่รักษา เตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักตังจิตให้มั น, นีีคนที่รักษาพ่อแม่ก็ดีมันการก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่าลังเกียดอีัทนี้ฉน้องคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละอืมวั่วนต้นเกิดมานะเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ ถาใสพ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแัาาดนี้ได้มันอยู่เดี่ยนี้นั่งรวมกันอยู่เดี่ยนี้พราะพ่อคุณพ่อคุณแม่นี้ลงมาสารพัดอย่างแต่พ่อแม่นี้ดูมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเนื้อที่สุดเดยเ่างเกินเนื้อมากที่ทรุ่หลานทั้งหลายทุกๆคนจะให้เข้าใจว่าแบบนี้พ่อแม่เราเป็นเด็ก พ่อแม่เราเป็น ล, ลูกเราใช่ไหมก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บบดีพ่อแม่เป็น ล, ลูกเราใชนไหมเพราะอะไรอแก่ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจําก็ไม่ได้หน้าก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินอะไรพันอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิดมันเด็กอะไรเงี้อมันเด็กกันเองอืมันเด็กมั่นนี่นนั้นลูก อหลานทั้งหลายนั้นให้กำใจมากให้ปล่อยให้ปล่อยให้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยใอ้คนที่เป็นสบายเราอย่าไปถืออะไปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างนล้วที่นี้เราปล่อยเนล้วเหมือนเด็กๆนะเด็กๆนะที่เราเปิดมาอะไรไม่ฟังพอไม่ปล่อยทุกอย่างนะั้วปล่อยให้เด็กมันสบายไ ม, มไม่ให้เด็กมันร้องให้ไม่ใเด็กขัดใจอะไรเลยพอเงียบข อ, องเราแบบนี้เหมือนกัน บางทีสัญาณมันนี่ประหรลาดแสดงคนแก่บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งูกคลานเรียกลานคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาบอกเอาขันมาก็ได้กานมาเรี๋ยวเอาแก้วมาก็ได้อะไรนีมัน ม, มันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นเดนะ้อันนี้ก็ให้ยกไหพิจรารณาไอ้ที่คนป่วยเนี่ยก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาล มีคุณธรรมให้อดผิดทนต่อทุกค้าเวทนาเวทนา้เออเนาเราพักอย่างซึ่งมันเกิดมาให้อดกลั้นไม้ทำเพี้ยนออในใจของอย่าให้มันวุ่นไวา ย, ยาให้มีความลังวากยากจนเกินไปแก่ผู้กริบัติอปปาทาของเราผูอ้อปปะทาก็มีคุณธรรมอย่าลงเปียดนำโมกนำลายกุดจะละประดิวะอะไรต้องพยายาม อืเท่าที่เราจะทํำของล้วได้ครูลู ก, ลกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพรหมจรรย์ทางนี้ยเราอาศัยมาในเกิดมานี่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกวานอันนี้อันนี้นคนือบุญคุณของท่านที่เรายิ้มเรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรั์สมบัติเราที่เราจะนี้ อร่อยทุกอย่างมีลูกมีหลานมีมากมีช่องทีดีๆอะไรและมีอาชีพดีๆถึงลูกหลานเนะี่ยส่งเสียลูกหลานให้เล่าให้เรียนตลอดตัวเรามีกับเพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรลคตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตะโกลอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์กันทีซสอนว่าการญยู่กัเวที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 จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากนี่มีแต่ยากก็ดีแนละ้วเป็นคนกตเวทีกาปัญญยก็คือตัวเราโก ท, ท่านมีกตเวทีหนึ่งที่อุ ป, ปถัมภะฐานุบังดุลละมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรี่ว่ากาจันโยท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก ท่านมีความขัดข้องโลภการใดเราก็ต้องเสียสะละรับผาละทุระอันนั้นช่วยท่านาก็กระทำอยู่กระเตเวทีที่เป็นธรรมที่ควาจปูนหอกอยู่ให้วงตะโกนของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อืมอันนี้แหละวันนี้อัดมาเลย ฝากเทปฝากธรรมะคำสอนมาฝากย่ายในเวลาเจ็บป่วยนี่โดยความในสำนึกน้อมมาอาศัยคนเมออุทัยซึ่งเป็นลู ก, ลกของยอมนั่นแหละถึงพูดในตอเวที เป็นภูมิคตันอยู่กัตอมีที่อย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอืออาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดขึ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอกมามันลว่นานะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไปเป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นสานอารถึงใหญ่ย ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นหืเมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จบรัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้ธรรมะก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังจิตใจขีดเข็มแข็งต่อสู้หรืก็ถิ่งทางลายเหล่านี้